เราต่างคนต่างก็อุทิศชีวิตต่อพระพุทธศาสนากันมาแล้วตั้งแต่เมื่อเกิดตู่นเนี่ยตอนเกิดใหม่ๆก็ไปแจ้งกะเกิดเขาก็ลงวสันชาติไทยเชื้อชาติไทยนับถือศาสนาพุทธ นันนะมันเป็นชาวพุทธมาตั้งแต่เกิดมาทีแรกนู้นไม่ใช่ว่าเพิ่งมาเป็นนี่นะเพราะฉะนั้นเนะี่ยพอให้พากันทบทวนดูให้ดีพุทธะแปลว่าผู้รู้นะหมายความว่าเมื่อเราเป็นชาวพุทธเช่นนี้นมันก็ต้องมีความรู้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 ชั่วชําระความชั่วออกจากกายวาจาใจนี่ให้มันหมดไปก่อนมันถึงจะไปสวรรค์นิพพานได้ไม่อย่างนั้นไปไม่ได้เลยต้องเข้าใจเราจะไปรู้อนิพพานทีเดียวเลยไม่ได้นะต้องรู้เบื้องต้นนี่ต้องสะสงังกายวาจาใจั้งตนให้มันส ะ, สะอาดจากกิเลสบาปธรรมขั้นหยาบหยาบนี้ให้มันได้ นี่ก็จึงสมกับว่าเราเป็นชาวพูด น, นั่นออันขึ้นชื่อว่าความชั่วแล้วมันก็เกิดมาจากกิเลสนั่นแหละความโลภความโกรธความหลงเนี่ยเท้ ท, ะทะฟังอยู่จนว่าทุกวันทุกกันเลยกันเทศกันใดจะไม่ยกกิเลสอันนี้ออกมา ว่ากันนะไม่มีเลยนะเพราะอะไรล่ะก็เพราะว่าคนเรานี่มันยังไม่รู้นะเป็นชาวพุทธแต่ชื่อนะแต่ว่าใจยังไม่รู้จักว่าอะไรเป็นบาปอะไรเป็นโทษแม่บวชเข้ามาแล้วก็ตามนะมันก็ยังไม่รู้นะก็ยังละไม่ได้เลยอนะก็มีอยู่นี่เรื่องมันนะ เพรนั้นการแนะนําสั่งสอนนะจะไปพูดเรื่องอื่นนะมันก็จะเข้าทํานองที่ว่าเก่าไม่ถูกที่คันนะมันจะได้ผลอะไระเมื่อคันที่ไหนก็ต้องเก่าที่นั้นอันนี้คนเราเมื่อมันคล้องอยู่ในเรื่องใดเราก็ต้องเอาเรื่องนั้นแหละมาพูดกันนะให้มันรู้กัน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 เกือบแทบทุกวันเลยยังไม่เห็นโทษแ่งความโกรธความดุร้ายต่างๆนี่บางคนเนี่ยไม่ใช่ทั่วไปนั่นแหละใครเป็นยังไงเราต้องรู้ตัวต้องทบทวนตัวเองให้ดีการฟังเทศถ้าหากว่าไม่ทบทวนดูไม่พิจารณาดูตัวเองเทียบกับคำสอนของอุทยเจ้านะั้นมันไม่รู้เลย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 นี่แหละเพราะฉะนั้นมันไม่สมกับว่าเราขึ้นทะเบียนเป็นชาวพุทธมาตั้งแต่เมื่อเกิดอขอให้ทบทวนกันให้ดีนั่นไเพราะฉะนั้นในแนวทางนี่เราพูดกันในแนวทางปฏิบัติการการที่มันจะละกิเลสเหล่านี้นได้นะั่ก็เพราะสัมรวมใจนี่ไนงะ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 มันไม่รู้จักห้ามตัวเองอนั่นแหละเมื่อมันเพ่งไปอย่างนั้นมันก็ความโกรธมันก็ลุกรามขึ้นเลยอ ะ, อะทีแรกก็ใจเป็นพระแบบนี้ท่านต่อมาใจก็เป็นผีไปเลยแบบนี้นั่นนะมันเป็นอย่างนั้นความเพ่งเล็งนะความไม่รักษาจิตตัวเองนะ่ะ มันจะพาให้ไปสู่อวัอยภูมิมันต้องรู้กันนะ น, นี่เราพูดกันในทางปฏิบัติแล้วเราต้องสำรวมจิตใจอยู่ทุกเวลานาทีผู้ปฏิบัติธรรมต้องมีสติสมบัติชัญญาควบคุมจิตตัวเองอยู่เรื่อยไปคอยระวังเหตุที่มันจะมาจูงใจให้ประพฤติชั่วนะั้น นี่มันต้องระวังตัวอยู่เสมอเพราะว่าไอ้ตนก็รู้ตนด้วยวตนยังละกิเลสอันเป็นเชื้อแห่งบาปนั้นยังไม่ได้หมดเห็นจะบรรเทาลงไปนิดหน่อยๆเท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้นะเมื่อขาดการสํารวมระวังแล้วมันกิเลสมันได้ช่อง ม, มันก็ลุกขึ้นเลยอกิเลสนี่นะมันดองอยู่ภายในจิตใจของคนเหล่านั้น แล้ววันนี้มันอาศัยเหตุภายนอกนั้นกระทบเข้ามาภายในเนี่ยกิเลส ท, ที่มันดองอยู่ในใจ น, น่มันได้เชื้อแล้วมันจึงลุกขึ้นขึ้นนั่นแหะบุคคลไม่มีสติเข้มแข็งไม่มีความอดกั้นทนทานก็เลยเลยปล่อยให้กิเลสมันบังคับตัวเองให้ทำชั่วออกไป แสดงความชั่วออกไปทางกายทางวาจาได้เลยนี่มันเป็นอย่างนี้เรื่องของเรื่องนะดังนั้นเนะี่ยเมื่อไรเราจึงยิพิจารณาจะเห็นโทษของกิเลสอานนี้สักทีถามตัวเองดูนะแต่ละคนนะห <c oughs> รือยังจะเห็นว่ากิเลสอย่างว่านี่มันดีอยู่เหรอนี่ก็ต้องเพ่งทบทวนดู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 มันไม่เห็นแจ้งหรอกจะเอามาพิจารณาอย่างไรมันก็ไม่เห็นแจ้งเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะจ้องดูเรื่องนั้นได้โดยเฉพาะอันใจไม่สงบนะเพราะว่ากําหนดวิจานณ์เรื่องนี้แหละสักหน่อยมันจะพลิกไปเรื่องอื่นนุ่มเลยอย่างนี้มันจะรู้ได้ยังไงอ่ะอันเน่ยการนี้มันจะรู้ได้นะมันต้องใจแน่วเป็นหนึ่งอยู่ที่เดียวอ่า เหมือนอย่างเราอ่านหนังสืออย่างนี้นะอยู่กระดานป้ายอย่างนี้นะถ้าว่าเราสายตาล็อกแลกล็อกแลกไปมานี่ไม่มีทางมันจะไปอ่านหนังสืออยู่กระดานป้ายนั่นได้นะอะเป็นอย่างนั้นแหละอันนี้ก็เหมือนกันนะถ้าใจมันสายไปส่มาอยู่นั้นนะมันจะกำหนดพิจารณาเรื่องใดๆมันก็ไม่เห็นแจ้งในเรื่องนั้นเลยก็ให้พึ่งพากันเข้าใจ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 มันไม่ได้มาควบคุมจิตอยู่ภายใ น, นอ่ะเหตุนั้นน่ะตนทาผิดพูดผิดอะไรไปมันถึงไม่รู้ตัวอะไรอ่าแล้วก็กิเลสมันเกิดขึ้นก็ห้ามจิตไม่ได้เพราะว่าสติมันหนีออกแล้วมันห่างระลึกออกไปไกลแล้วอแล้ววันนี้กิเลสมันมีอิทธิพลแล้วเผื่อว่าสติระลึกได้จะห้าม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 พอทำอะไรเช่นอย่างว่าพูดกันสนทนาปลาัสกันอย่างนี้นะเมื่อไปถึงบทขบขันบอกนี่กัหัวเลาะแล้วก็เพลินไปเลยลืมตัวแล้ว่บเนี้อ่เอาถ้าไปไปถึงบทเกิดความเห็นขัดแย้งกันเข้าแบบนี้ก็เอาแล้วเทียงกันหน้าดำหน้าแดงไปเลยเลืมนึกถึงไอ้คุณธรรมอันดีงามเลยฮะนี่ เลยกลายเป็นเรื่องทะเลาะวิวาทกันไปนี่การปฏิบัติท ร, ร ม, มาหมู่นั้นไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยบบนี้เอามาทิ้งหมดนั่นแหละนี่ชี้ให้เห็นว่าไอขาดสติสัมปชัญญะแล้วไม่เป็นท่าเลยนะกายวาจาใจนี่น ะ, ะไม่เป็นท่าเลยดังนั้ น, นะ ถึงพยายามยกเอาเรื่องนี้มาพูดสู่กันฟังนะเพื่อให้ทุกคนได้รู้จุดบกพร่อ ง, องของตัวเองที่ในขณะใ ด, ดจิตใจตนวันไหวหรือว่าพลั่งเผลอไปในทางที่ไม่ถูกแล้วนั่นในขณะนั้นนะแสดงว่าสติไม่ได้ควบคุมจิตใจชมปัญญะความรู้ตัวก็ไม่มีไปรู้แต่เรื่องอื่นนู่น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 ถ้าขาดสติสัมปชัญญะควบคุมแล้วไม่ไม่ได้เรื่องเลยเหลวไหลหมดุดอ่าเลวไหลอ่ะให้พากันเข้าใจให้มากๆเรื่องนี้นะไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องลึกเรื่องขำจนน้องมองไม่เห็นเลยนะอ่าก็ก็เมื่อคนเรานะี่ยมันสังเกตตัวเองไปทุกระยะเนี่มันรู้ได้เลยนะไอะเรื่องที่พูดให้ฟังมานี่นะ รู้ว่าตนเผลอสติเมื่อไหร่นี่ก็รู้ได้ถ้าเอาใจจดจ่ออยู่นี่นั่นแหละตนมีสติอยู่เวลานี่ก็รู้ได้เนี่ยจิตใจตนเป็ดปกติอยู่ก็รู้ในขณะนี้จิตใจตนวันไหวกับเรื่องอะไรก็รู้นี่สำหรับผู้มีสตินะผู้ฝึกสติอยู่อย่างในสติปัฏฐานนั่นน ะ, ะพระองค์สอนให้มีแต่กำหนดรู้มด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 ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เหมือนกันเป็นเนนก็เหมือนกันเป็นอุบาสกาุบาสิกาก็เหมือนกันหรือเป็นชาวบ้านธรรมดาก็เหมือนกันทุกคนก็ร่วนแต่กล่าวคำปฏิญญาณตนถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้พึ่งเพราะว่าอา้าวทำบุญที่ได้รับสินทีได้อา้าก็ต้องขอสินพร้อมทั้งพระไกรสารณาคมด้วยนูน่นหรอ แล้วก็พระท่านกอนำว่ า, าตนก็นว่าตามพระไปนั่นแสดงว่าไม่ว่าเพศไหนเพศเหลืองเพศขาวเพศดาไอ้สาหรับว่าเป็นชาวพุทธแล้วนะล้วนแต่ได้กล่าวคำปฏิญญาณตนถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งมาเป็นระยะระยะมาเลยไม่ได้ขาด ทีนีความประพฤติของแต่ละคนนะมันสมหรือไม่ว่าสมกับที่เราปฏิญญาณตนถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนี่มันสมหรือไม่นั่นทุกคนต้องเพ่งพิจารณาตัวเองให้ดีพุทธแปลว่าผู้รู้นั่นแหละผู้รู้จักผิดรู้จักถูกด้วยตนเอง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 แต่ละเวลาแต่ละนาทีนี่เราต้องพยายามระลึกถึงตนของตนสเสมอสเสมอให้ได้ <c oughs> เมื่อเราหมั่นระลึกถึงตนให้มากอยู่นี้สติมันก็ทีเข้ามาแล้วว่านี้นะมันไม่อยู่ห่างจากกายวาจาใจแล้วมันใกล้ากายวาจาใจเข้ามาแล้วหมั่นระลึกเข้ามาบ่อยๆเข้ามันชินสิบัไนี้นะ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 นี่มันมีอยู่นี่เรื่องทางสังภายนอกนะเรื่องชั่วก็มีเรื่องดีก็มีนี่แลนี่บุคคลใดไม่ระวังตัวปะเนี่ยเมื่อไม่ระวังตัวเผลอตัวปล่อยสติระลึกเล่ร้อนไปภายนอกอยู่เนี่ยพอเรื่องชั่วกระทบทางตาต้นเข้ามาแล้วสติข้ามจิตไม่ทันแล้วอจิตตื่นเต้นไปกับเรื่องชั่วเหล่านั้นว่อนไว้ไปตามแล้วสติควบคุมไม่อยู่แล้วบะนี้ นั่นแหละสาเหตุที่มันจะแสดงออกทางกายทางวาจาแบบนี้ยให้พึ่งพากันรู้นี้ถ้าใครคอยระมัดระวังภัยเหล่านี้อยู่นึกว่าภัยทั้งหลายมันย่อมมีอยู่ในตนของตนอย่างนี้ละผู้นั้นก็ไม่ประมาทคอยระมัดระวังตัวเองอยู่เสมออย่างนี้ละเวลาเรื่องไม่ดีไม่งามต่างๆกระทบกระทั่งเข้ามามันก็ห้ามจิตได้ทันเลยแบบนี้ เพราะสตินะมันอยู่ใกล้กับจิตอยู่แล้วมเมื่อมันห้ามทันอย่างนี้มันมันก็มาแทนได้รู้อํานาจแก่กิเลสานั่นแหลปะปุณิเมื่อมันห้ามทันมันก็กําหนดละกันลงไปเลยแล้วไอ้เรื่องชั่วต่างๆเหล่านั้นมันก็เป็นสัตตกาศไปเป็นอาวากาศไปหายเข้ากลีบเมฆไปเลยเพราะว่าจิตไม่รับเอาแล้วนี่ หิดมายึดไม่ถือเอาแล้วมันก็หายไปเท่านั้นเองนะมันไม่ใช่ว่าจะไปมีฤทธิ์มีเดชเหมือนอย่างงูพิษบอกอะไรต่ออะไรมุนี่สิ่งมุนีสัตว์มุนีนะถ้าหากว่าเราไปจับมันเข้าอย่างนี้มันกัดเลยทันทีเลยอย่างนี้นะนั่นแหละกัดแล้วก็เจ็บปวดเลย อ, อันชันใดอันนี้ก็เหมือนกันเลย อารมณ์ต่างๆในโลกนี้ถ้าจิตไปยึดมันเข้าแล้วไม่รักก็ชังเน่ยไม่โลภ ก, ก็โกรธออันหลงแท่ว่ามันมาด้วยกันเลยแหละถ้าจิตวันไวไปตามแล้วความหลงมันก็แทรกเข้าพร้อมเลยออมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้พึ่งรู้ว่าเมื่อรู้ตัวว่าตนยังละกิเลสยังไม่ได้หมดอย่างนี้นะ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 แต่ทั้งที่ตนทุกคนแล้วก็เบื่อทุกทั้งนั้นแหละแต่เมื่อบวบเบื่อทุกแล้วตนเองประมาทเรื่องมันนะไปสะสมเหตุแห่งกองทุกข์ขึ้นมาอย่างนี้นะมันก็ต้องได้รับทุกถึงเบื่ออย่างไงมันก็หนีไม่พ้นถ้าตนเบื่อทุกไม่ต้องการทุกจริงอย่างนี้มันก็ต้องคอยระมัดระวังไอ้เรื่องที่มันจะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ขึ้นนะต้องระมัดระวังเสมอ ก็ไม่ไม่ใช่ว่าอยู่ลี้ลับซับซ้อนอะไรอันเหตุให้เกิดทุกข์นั้นนะก็อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นเนะี่ยตาหูจมูกกลิน้นกายใจอันนี้ก็เป็นคู่กับรูปเสียงกลิน่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆอันนี้นะบอ่อเกิดแห่งทุกข์นะบ่บอเกิดแห่งความสุขก็อันนี้ไม่ใช่อื่นไกลนะนตาเห็นรูปถ้าหากว่าเรารู้เท่ารูปนั่นแล้ว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 ศิลมันก็เศร้าหมองหรือไม่ใช่ก็ขาดไปเลยก็ให้พึ่งเข้าใจคำว่าสํารวมอินทรีย์ก็อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละสํารวมมณีินทรีย์นันสำคัญมากสํารวมใจดงเดียวเท่านั้นแหละก็เป็นอันสํารวมอินทรีย์ห้าทางห้านั้นได้หมดเลยเช่นรูปมากระทบตาอย่างนี้นะสติวิ่งเข้าไปห้ามจิตได้กำหนดรู้รูปรู้เท่ารูปว่ น, นั้นตามเป็นจริงได้จิต ไม่วันไหวไปด้วยความยินดียินร้ายอย่างนี้นะก็เพียนอันว่ารูปที่มากระทบตานั้นก็ไม่มีพิษมีสงอะไรเลยว่านี้นะมันก็ผ่านไปผ่านไปแม่เสียงมากระทบหูก็เหมือนกันน ะ, ะเมื่อห้ามจิตสำรวมจิตได้แล้วมันก็ดับไปดับไปหมดของโมนีไม่มีพิษมีสงอะไรเลยแล้วก็มองเห็นให้ ชัดลงไปในทางวิปัสนาก็เห็นแจ้งว่าทุกสิ่งทุกอย่างโมนี้มีเกิดขึ้นแล้วมีดับไปอยู่นั้นไม่มีอะไรเที่ยงยั่งยืนไม่มีอะไรเป็นแก่นเป็นสารเลยลเมื่อเราเพ่งลงไปถึงวิปัสนาเห็นแจ้งลงไปตามเป็นจริงอย่างนั้นแล้วมันก็ยิ่งยิ่งไม่หวั่นไหวเลยจิตใจนะอะก็ยิ่งตั้งมั่นนผู้ที่หวั่นไหวอ ย, อยู่แสดงว่าไม่ได้เจริญปัญญาวิปัสนาอะไรเลย ดังนั้นพึ่งพากันตั้งอยู่ในอภปมรธรรมคือความไม่ประมาทดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้